ท่นเรียกว่าอาวิชฉาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้อวิเลศวัตตน์มันครอบอาศัยจนลืมเมื่อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรู้ถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอย่านี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่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 ก็เหมือนกันต้องมีปัญญาสมาสติคือจะลึกชอบใครลึกชอบใครลึกที่ไหนเนี่ยลึกชอบใครๆก็เศ้าอะหอกคําว่าชอบคืออะไรเี่ยแ ล, แล้วเราลึกที่ไหนถึงจะเรียกว่าชอบเรลึกอยู่ในในสติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมแน่เรเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่ สมาสมาธิเมื่อรูกชอบแล้วสมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมันเกี่ยวรู้ดั้นรู้นี่หรอกลงตนเองโดย่ม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนะกะการกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรือถูกมีมักแปะเหล่านี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานรือว่าการทำพระนิพพานให้แจ่งก็ทําดยข้อปฏิบัต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 เปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็ここเหมือนกับวนถ่านไปขึ้นบนาาอากาศนอเดินนั่งนอนอถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดหอนนานๆก็เผาตัวเองนั่นแหละให้ร้อนถ้าเกิดความทุกข์ความลาบากภาในร่างกายเืินนานๆก็ลําบากเดินนานก็ลาบา ก, านาน ก, บากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงวันตาย น, านั่นพี่ดูสิวันตายน่และวันสัตว์ปัดถึงอื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 เป็นงานชอบทำอย่างยิ่งยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการสแสดงหาสแสดงหาโดยวธิธีอื่นอ่ น, นท่านก็สอนไว้อยันเตประโตนะต่างเลยมีบาทของเธอหรือนี่บาทของเจ้านะน่นท่านบอกไว้เลยทั้งทั้งที่บาทก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาทของเจ้านะนีะ่ประทับใจังไปอีกทีบอกทำใหม่ว่าบาทของเจ้าน ะ, นะ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 ใช่สั่งสมนั้นสั่งสมนี่หานั้นหานี่ท่านไม่ได้ว่าท่านบอกลงในจุดสําคัญสคันนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นี่พระคี้บอกสถานที่ไปลูก ม, ลมูลล้มไม้ตามชายป่าชาเขาแต่หาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมุ่เป็นชำนาธรรมนีในข้างคุตตกายสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบำเพ็มเพียรเพื่อความแก้วกล้าสามารถ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 มันตั้งอยู่กับตามธรรมชาติของมันมันดับไปกับตามเรื่องของมันการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะระย ะ, ะ, ยะแล้วก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจมันจะทนไม่ไหวจริงเหรฮ อ, อท น, นมาตั้งแต่วันเกิดจนมาถ่งถึงวันนี้ที่นี้จะทนต่อไปไม่ได้เหรอทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียแหน่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงพอทนได้ก็ทนไปของพระพุทธเจ้าท่าน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 พยายามรักษาตัวบางเปล่าหรือรักษาแต่ภายนอกวุ่นแต่ภายนอกกันหรือลืมแล้วหรือตัวสําคัญที่ยอยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบางหรือเปล่ า, ลาตัวสาระสำคัญนั่นแหะหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมูลฝดมูลแห้งเสมเออยากให้ดูตรงนั้นว่าสวัสดีเหรอสบายอยู่หรื อ, อมันถึงเหมาะสมในการปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันถามอย่างนั้นเหมาะสมที่สุดแล้ว